Thank mm -hmm. you.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 เศรษฐีนี่ร่ำรวยมากร่ำรวยพอๆกับเจ้าชายศิ ธ, ธัตะหรือพระเจ้าสุทโโธทนะคือมีประสาสามหลังยัสสานี่มีประสาสามหลังประสาสามฤดูมีสิ่งปลนเป ล, ปลอความสุขไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ่งกาย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 ฟอ้อนรำบนนเพลียนะก็ไม่อยากไปไหนก็นอนกันตรงนั้นแหละยัสสาเห็นสภาพนี้แล้วก็ปรงที่จริงคงมีความว่าวุ่นข้างในอยู่แล้วยิ่งไปเห็นสภาพนะที่นางระบาทั้งหลายนอนกายกองกันตามเรื่องก็ว่าเหมือนกับซากศพ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 สะท้อนถึงความรู้สึกภายในใจนะมันวายมันขัดข้องนะมันน่าเบื่อหน่ายก็เดินสะเปะสะปะไปเรื่อยนะบ้า น, นี่ปราสาท น, นี่ก็อยู่แถวๆนครพาราณสีก็เดินไปไกลทีเดียวนะจนทั่งไปถึงป่าอิสิปตนะมุรคตัยวันถ้าวัดเอ า, อานื้อเอาสิบกิโลเนะี่ยสิบสี่กิโลนะพาราณสีเนี่ย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 ไม่มีเสียงอกระทึกบกวัวแล้วแต่ก็ยังไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะหาความสงบในจิตใจไม่ได้แต่พอพระเจ้าเนี่ยทักเช่นนั้นเนี่ยก็เกิดความสนใจขึ้นมาก็เลยสนทนาธรรมกันในที่สุดพระองค์ก็แสดงธรรมให้ยัตสะเนี่ยดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน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 เติมเต็มจิตใจซึ่งคนส่วนใหญ่ก็นึกว่าเป็นเงินทองแต่ยิ่งกระเสือรสนยิ่งดิ้นรนเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนือ่อยยิ่งร้าและความรู้สึกหิวโหยหาข้างในก็ไม่ได้ลดลงเลยบางคนหาจนตายก็ยังไม่พบว่ายังไม่พบความอิ่มเอมหรือว่าเต็มเติมเต็ม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 แต่ว่าความสงบภายในเนี่ยยังควานหาไม่เจอก็ต้องเผื่อใจไว้นะหลายคนมาด้วยนะความตั้งใจว่านะจะพโคความสงบและคิดว่าถ้าหากมาอยู่ในที่ที่ ท, ที่มันไม่มีเสื่อทึบคลุกโครมนะไม่มีความวุ่นวายแล้วจะพโคความสงบได้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 การจลสตินี่เรามาเน้นที่ตรงนี้เน้นที่การสร้างตัวรู้ให้มากขึ้นนะซึ่งมันก็ทำงานควบคั่วไปกับสตินั่นแหละสติคือไม่ลืมสัพปปชัญญคือไม่หลงเวลาเราพูดว่าตัวรู้เนี่ยเราก็หมายถึงสัพปปชัญญคือรู้ตัวาการปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะหลายคนอาจจะแปลกใจทำไมไม่หลับตาทำไมไม่นั่งนิ่งๆจิตใจมันได้สงบ